ท่าบุญท่ทานท่าบุญท่าท่านมันได้เป็นบุญบุญมันอยู่ในใจท่าบุญก็ได้หลายแนวท่ท่านจะท่านก็หลายแนวอยู่ท่านเข่าท่านแนวอยู่แนวขินท่านขาท่านเสือท่านขาเครื่องนุ่งเครื่องห่มท่านยูกยาท่านเครื่องใจท่านรดท่านล่าท่าน ย่นคาหณนะท่านก็ท่านในหลายแนบุญมีอย่งแต่แท้กัอภัยยท่านผู้ได้เมตตใเห่ห้าใจหา่างเมตตาเห่ห้าเกลียเมตตาเห่ห้าวซั่งอภัยเขาท่านจะดูว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอภัยท่านเนี่ยท่านก็ได้หลายอย่างมีเนืเหตุหลายอย่างท่นทำท่านแล้วมันก็ยุตใจนี่แหละใจเห่ห้สบายใจเห่ห้าวย็น กำบายเนี่ยหละกฐาเม่นบุญแล้วมันเกิดเป็นมันอยู่ในใจเลดบุญเนี่ยบุญมันเกิดมันอยู่ในใจมันเป็นมันเป็นควอม่ำสบายเป็นควอม่มควอมเย็นควอม่ำสบายมันมอนนั่นละแม่นบุญเนี่ยมันเบิกบานนี่จะหลัะท่านข้ามกับี่ขาบุญอย่างอื่นรักษาศีลกับนีอีกรักษาศีลอีก รักษาศิลป น, นี่ยเป็นเป็นวิธีการป้องกันอเ น, นี่ยพอดีเดท่าเด้คือยังเท่าขาซัดขาซัดรักษาพระพุทธคิดในการมีอย่งมุ่งนี่ยแหละท่านเท่าตั้งใจว่ารักษาศิลป์เท่าบบคือบริขืดเบียดเบียนเขาอเบียดเบียนซัดเล็กซัดหน่อ ย, ลยไล่ไปยุ่งเวลาขึ้นไป เท่าว่าโอ้รักษาสิ่ตัวกันเท้ากับสิเดลละมัดระว่างกันยุ่งมากัดกับพวตบมันอย่างเงี้ยเรื่องอื่นจัดอื่นจัดใหญ่ว่าอังคกคบคาอยู่อังคนก็บพวกคาเนี่ยสันผู้เท่าสิ่เคยมีใจให้สีเดียดสีเดียนเขาน่ะไหนทีน่แย่รักษาอยู่สงที่แล้วมันก็เป็นการรักษาสิ่งขอหนึ่งสิ่ขอสองสามสี่หาด้วยกันแหละ พอเทารักษาได้ล้วคิดใจเท่าเข้มแ ข, เเขมแข็งแค่ก้าหนึ่งคิดใจว่เข้มแข็งเรานี่คืใจหายโลดใจหายเราจะไปจัดการรไปทํทาร่โดดกั น, นอนว่าคืออยากได้่นเวดใบก็บบังกับป็อยากได้ลายก็เป็นรักของเขาไปต่อไปโงกัของเขา่มันหลัใจบ่เข้มแข็ ง, ขงเคิดคิด้ามืเนอยอ่ บุสาขึ้นกันิุลาขึ้นกันใจพวกเมแข็งว่าจะเห็นขวดเหล่าละรอยใจโลดนล่ะใจพวกเต็มแข็งกันเท่ารักษาสินตั้งใจรักษาหลายเสือหลายที่เก่าใจมันแข็งกว่าใจแข็งบานมีเห็นขวดเหล่ า, ย า, ยกากับบญญบอไปสอนไมล่ะขวดเหล่าก็เอ้ยมันแ็ เป็นอิสระเนี่ยเป็นอิสระเดรี่กันที่เข้าว่าอะไรละต้องไปเป็นแหล่งมันไปเป็นลูกน่องควรเหล่านึกเห็นตัวการเทารักษาจริงดีๆแล้วมันเกิดในใจแล้วเนี่ยเกิดถึงค่วมสบายบอกเป็นแหลงบอกไปเป็นแหล่งบอไปเป็นลูกน่องของแนวมู้นั้นมันเป็นบุญในใจเกิดค่วมเบิกบานใจเนี่ยมาที่มีพระบ้านให้แม่ให้ซ่อมเก็บของเนี่ย ก้อมมันก่อมแหนก่อมเจ้าของสิละนี่นีเอินว่าภาวนาก่อมซ่อมนี่ยังไงซ่อมเจ้าของโอ้เกิดก่อมมา nila ก่อมว่าเขานั่งอยู่บ่อองสิจะได้กินเขาอยู่บ่นั่งหันหันใจอยู่บ่ออย่างนีสิเนี่ยแต่ไปว่าซ่อมอันซ่อมอย่ามันกเศรษฐีหูเมื่อหูเมื่านี่เอินว่าจําไปทัานยาอันซ่อมเอินว่าสศรษฐีแหน่มันได้และเด้วยคอมันเป็นดายันคือเศรษฐีทำไปท่านย ในบทเอาอีรล้วมันมันเทามีอยู่เทาซ้อมเขามาหาเจอฟองเท่านห้นมันกันได้มันกันได้มันได้ยอะใส่ผมได้อยอะในใจใหญ่เทากับจิวได้ใหญ่กิบยูวกับโตบันี้ไปใสบอเชินบอว่นไปปุ่นไปที่บอไปดินไปห้อนก็ไส่ละใหญ่มันกับจิวมันกับผมกับเย็นเบิกบานด้วยกันพาวนหน้า จิตใจด like, oh, ีๆแล้วโอ้เบิกบานเด้โมมีแนวคิดเด้นึงเขาบอกโอ้นี่แซ่บอันนั้นซุกสบายม้วนโอ้ยบมม้อนกำโมม้อนกำใจสงกับเนี่ยเนี่ยดีๆนี่อยู่ในห้อโดยเฉพาะกเกิดมาในายุกถึงได้โอกาสได้ใหลเรได้โอกาสได้เขาได้รู้เพราะพื้นิงพื้นของกพราที่นี่อยู่นะมาให้ท่านแต่การักษาจริ่รักษาได้ย่ดอกเ่าก็พอใ เดือดร้อนก็ต้องไปข่าไปแกงกูนั้นกูนี่หรอกว่าต้องไปหารักหาหล่อว่าต้องไปคิดคิดในคามเด่นสูหัวสูงเนีน่ยสูยลูกสูต่าเขาหลายอมันกูมีหรอกโอกาสนี้ขั้นเลยแพ่พลําบากเดือดร้อนจึงไปหาตัวก้นล่าเม่ไล่มันนั่นก็ว่าเดือดร้อนตอนนั้นฝันเท่าขเขาเฮ็ดยังได้เฮ็ดอยู่รักษาศีลนอรักษาศีลนั้นจะได้แก้ใจเจ้าของ ขันใจเข้าดีแล้วทุกดูนแนวดีเมื่อเด็แนวดีมันน้ำคนมาไรสายไรสายนมื่อเด็กขันใจเข้าดีแล้วขันว่าดวงดีไว้กันขันใจเข้าดีแล้วดวงกด็ดีน่ะขันผูู้จักต้อมเมื่งเราที่กนแบบโอ้ใจเข้าดีโอ้อยังก็ดีเมื่อท่นขันรังคนผูกดวงผูกดาวแก้ดวงดวงพอดี เอาเว่าหน้านี่แหละซ่อมใจเจ้าของ่นี่ไงไ้ใจมันหอมมันเย็นสงบลงนี่เนี่ยมันคือมันแก้คือมันแก้เนี่นี่แหละแก้ดวงนี่่มันดีมันดีอยู่งได้ดียู่งได้ใจเขาดอกได้กำลังจริงๆเราไมนใังได้บุญคันโบฮูจัสเอาเราว่ได้บุญคือเรามันจะเป็นก่อนยุคเสื่อนหน่วยบักสมโอนี่เพราบุญเลยสิมันเ่าเป็นเงินสั่นดอกบุญน่ะ มันอยู่ในใจฮนะบุเกิดข้มเบิกบานในใจข้อมสะออนข้มเบิกบานข้มหมข้มเย็ยนนี่สันเดสใงสันหละ่ะ <c oughs> มันเปสินะาหูจักว่าบุญมันเกิดในใจอะไรกัรักษาไว้ในยามเพียรเนี่ยเป็ดบุญให้ท่านย่ามมีโอกาสได้ให้ท่านแก่ให้ท่านท่านหน่อยท่านหลายให้เพีย <c oughs> อยู่เรื่อยรักษาศีลด้วยกันจเจริญเพราะว่าน่าเนี่ดุดู บึงไจจะขัดจะขวงดอกมาแจวว่าหันใจอยู่บ่หันหันใจอยู่กับซ้อมมันบึงนาจะกี่บ่ซ้อมมันคือนร่มหันใจนี่ยก็เริ่มซ้อมฉันเราก็เริ่มเต็มนี่ยเต็วโน่านี่คือคือเนี่ยเหลือคือคุณไปที่อยาจะทรงไปใจซ้อมบึงร่วมเจ้าของมันหันใจเขาเพราะเนอะคือบาหันใจ มันท่านหนาทีสม่ำเสมอที่เขาสิซ่อมมันรือว่าต่อมเมื่อกลันใจบัดเข้านี่นะต่อมจะเสือมมันเหตุยังเขาซ่อมต่อมมือกหันใจเขาหันใจออกหนูมือเล่นเข้ากับต่อมมันนะแม่ต่อมใจซ่อมใจซ่อมล้มหันใจซ่อมไปซ้อมมากซ่อมตรงเห็นใจหรอกการเห็นใจลราใจก็อยู่ดีสบายอมเย็นมีกันได้